มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตติยวัณฑ์ภสษาลักขณะปัญหาที่แปดถามว่า จะขูวิญญาณเกิดในที่ใดเวทนาก็เกิดที่นั้นหรือและผัสสะมีลักษณะอย่างไรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระหน้ า, าเกษณผู้ประเสริฐจะขูวิญญาณเกิดในที่ใดเวทนาก็บังเกิดในที่นั้นหรือพระผู้เป็นเจ้าเทโร ฝ่ายพระนาค เ, เสนเถ ร, ระผู้เป็นเจ้าจริงว่าอามะเออมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ จ, จะขูวิญญาณเกิดในที่ใดเวทนาก็บังเกิดในที่นั้นอันว่าเจตสิกธรรมคือสัญญาและเจตนาผัสโสมนานสิกาโรก็บังเกิดด้วยในที่นั้นวิตกก็บังเกิดในที่นั้น วิจารก็บังเกิดในที่นั้นอันว่าผัสสธที่ทำทั้งปวงก็บังเกิดด้วยในที่นั้นสิน้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาขาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปริชาผัสสะมีลักขณะเป็นประการใดพระนาคเสนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษผู้ประเสริฐผัสสะเมื่อจะเกิดมีลักษณะกระทบกันเข้าพระเจ้ากรุงมิลินจึงซักถามว่าได้ใจความประการใดเล่านี่หม่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาโดยอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนจิงถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสริงคารเปรียบปานดุดแพะสองตัวชนกัน แพะตัวหนึ่งนั้นได้แก่จักหุแพะตัวหนึ่งนั้นได้แก่รูปสันนิบาตแห่งแพะทั้งสองชนกันยะถามีคารุวนาชันใดภาษะนั้นก็มีลักษณะเกิดแต่จักขุรูปกระทบกันมีคารุวนาดังนั้นพระราชสมภารพึงเข้าพระทัยเถิดสมเด็จพระเจ้ามิลินเลิศกษัตริย์ตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ ป, าาหปิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปกว่านี้ พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุดบุคคลตบมือจากขุดุดมือขวารูปมีคารุวนาดุดมือซ้ายอันกระทบกันขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรจึงตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้พิญโยภาวะยิ่งยิ่งขึ้นกว่านี้ พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาอุปมาอีกเล่าว่ามหาราชะขอถวายพระพรเปรียบดุจปีสองเหล่าคนเป่าขึ้นพร้อมกันเสียงสนั่นขานกันปีเหล่าหนึ่งนั้นได้แก่จักขุปีเหล่าหนึ่งนั้นได้แก่รูปมีลักษณะกระทบกันเข้าเป็นผัสสะบ่อพิดปึงสันนิษฐานเข้าพระทัยว่าผัสสะนี้ มีลักษณะให้จกหักขู่กับรูปกระทบกันในการบัดนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินทรงฟังก็มีพระทัยปรีดาตรัสว่ากันโลสิสาธุสักพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วภัสละลักษณะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเท่านี้